บทที่48พระบัวขาบการกระทําของพระบัวขาบนั้นท่านพระครูรู้และเห็นมาโดยตลอดจึงอยู่บางครั้งท่านอาจจะไม่เห็นด้วยตาเพราะต้องวุ่นอยู่กับภารกิจต่างๆซึ่งนับวันจะมีมากขึ้นจนแทบไม่มีเวลาได้พักผ่อนหากท่านก็ทราบความเป็นไปของพระลูกวัดทุกรูปวิชาความรู้ต่างๆที่ได้เล่าเรียน ฝึกฝนจนเชี่ยวชาญมาแต่ครั้งอดีตช่วยได้มากโดยเฉพาะวิชาเห็นหนอด้วยเหตุนี้จึงไม่จำเป็นต้องเดินไปสำรวจตรวจสอบว่าใครเป็นอย่างไรเพียงกำหนดเห็นหนอก็ทราบความเป็นไปของบุคคลที่ท่านต้องการทราบดังนั้นเมื่อพระบัวขาบเดินผ่านหลังกุฏิท่านจึงใช้ให้เด็กชายขาวไปบอกว่าสมภารต้องการพบ หลวงพ่อมีอะไรจะให้ผมรับใช้หรออครับพระหนุมถามหลังจากทำความคารพพระอุปชาแล้วก็ไม่มีอะไรมากเพียงแต่อยากจะเรียกมาตักเตือนว่าการล้อเลียนผู้อื่นนั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ดีเพราะเท่ากับเธอกําลังทํากรรมผมไปล้อเลียนใครหรอครับอันนี้เธอคงทราบดีอย่ามาย้อนถามฉัน เมื่อกี้ใครละ่ะที่ทำเป็นคนปากเบี้ยวเดินกระเพกกระเพลกล้อเลียนพระชนวนใครมาฟ้องหลงพ่อหรือครับท่านคิดว่าจะต้องมีคนมาฟ้องไม่ต้องรอให้ใครมาฟ้องหรอกฉันสังเกตเธอมานานแล้วจึงได้เรียกมาเตือนว่าให้เลิกเสียไม่ใช่นั้นกรรมจะตามสนองสนองยังไงครับถามเพราะไม่เชื่อเรื่องกรรม มีจริงทั้งที่พระมหาบุญเพ่งสอนไปยกยกเธอจะไปได้แฟนปากเบี้ยวนะซิท่านพระครูพูดเพราะเห็นอย่า ก, กลัวเลยครับหลวงพ่อยังไ ง, งไงผมก็จะไม่เป็นอย่างที่หลวงพ่อพูดเพราะแฟนผมสวยเป็นรองนางงามบ้านหมีเช่นนะครับพระหนุมถือโอกาสคุยโวโ อ, อวดเอาละไม่เชื่อก็ไม่เป็นไร ที่จริงฉันก็รู้อยู่แก่ใจแล้วว่าคนดื้ออย่าสอนแต่ที่เตือนเพราะจะได้ไม่มาต่อว่าภายหลังงั้นก็หมดธุระแล้วกลับไปได้พระบัวกราบจึงกราบสมภานสามครั้งแล้วเดินลงมาครั้นพบเด็กชายขาวก็ถามขึ้นว่าเมื่อกี้มีใครมาหาหลวงพ่อหรือเปล่าท่านอยากรู้เพื่อจะตามไปต่อว่าคนช่างฟ้อง ไม่มีใครครับหลวงพ่อท่านทํางานอยู่ข้างบนผมยังไม่เห็นว่ามีใครขึ้นไปแล้วท่านลงไปไหนมาบ้างหรือเปล่าไม่ได้ลงไปไหนเลยครับเพนท่านก็ยังไม่ได้ลงมาชั้นเอถ้าอย่างนั้นท่านรู้เรื่องนี้ได้ยังไงกันเรื่องอะไรหระครับเด็กชายไครรู้พระบัวขาบได้ทีจึงถือโอกาสระบายโทระลงที่ลูกศิษย์ของสมพาน ไม่ใช่เรื่องของเองเป็นเด็กเป็นเล็กอย่าเที่ยวมาสอดรู้สอดเห็นเรื่องของผู้ใหญ่ประเดี๋ยวเขาจะหาว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนผมไม่มีพ่อไม่มีแม่เด็กชายตอบเสียงห้วนด้วยรู้สึกโกรธนั้นก็แสดงว่าหลวงพ่อเองไม่รู้จักสั่งสอนพระบัวขาบได้โอกาสว่าท่านพระครูเป็นการแก้แค้น นี่ท่านอย่ามาว่าหลวงพ่อของผมนะว่าผมก็ยอมได้แต่ว่าหลวงพ่อซึ่งมีพระคุณยิ่งกว่าพ่อแม่ผมผมยอมไม่ได้เด็กชายพูดอย่างเอาเรื่องและเองจะทำไมค่าหรือว่าจะไปฟ้องศาลเชิญเลยต่อให้ขี่ม้าสามศอกไปบอกอำเภอค่าก็ไม่กลัวคนเป็นพระท้าเย่งๆงผมไม่ต้องไปถึงอำเภอหรอก แต่ผมจะขึ้นไปบอกหลวงพ่อเดี๋ยวนี้แหละพูดพลางคำทีว่าจะขึ้นไปชั้นบนพระบัวขาบจึงเดินกลับกุฏิด้วยไม่อยากจะถูกสมภารตำหนิติดเตียนเป็นคำรบที่สองของวันนี้เห็นฝ่ายนั้นไปเด็กชายจึงกลับมานั่งอย่างที่เดิมนึกในใจว่าพระองค์นี้มาบวชเสียผ้าเหลืองสึกไปก็เปลืองผ้าลาย ทำไมวัดป่ามะม่วงต้องมีคนแบบนี้ด้วยนะน่าสงสารหลวงพ่อจริงๆเด็กชายคิดงุนงานอยู่ผู้เดียวพอดีกับบุรุษไปรณีมาส่งจดหมายจึงนำขึ้นไปให้ท่านพระครูเจ้าออวาดวัดป่ามะม่วงอ่านข้อความบนแผ่นกระดาษซึ่งเขียนด้วยอักษรไทยตัวขยุกขยิกเหมือนคนเขียนกำลังเรียนอยู่ชั้นประถม เพาว่าการใช้ภาษาและตัวสะกดการันถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ไทยทุกประการนายวิโก้เขียนมาจากประเทศเดนมาร์กกราบเรียนว่าจะพาเพื่อนร่วมงานมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่วัดป่ามะม่วงเป็นเวลาสิบห้าวันจากนั้นจะพากันไปทัศนศึกษายัางจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานและจึงเดินทางกลับประเทศของตน เขาและคณะจะมาถึงท่าอากาศยานดอนเมืองตอนเช้ามืดของวันที่29ตุลาคมจะเหมารถแท็กซี่จากสนามบินมาส่งที่วัดท่านพระครูเห็นว่าเป็นช่วงที่เหมาะเพราะออกพรรษาแล้วทั้งพระหล่อก็คงศึกหาลาเพศท่านจะขอให้พระหล่อซึ่งจะกลับไปเป็นนายหล่อช่วยขับรถไปรับนายวิโก้และคณะ พาไปนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏติมากรแก้วมรกฏพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของไทยจากนั้นจึงค่อยพามาวัดป่ามะม่วงนับเป็นโอกาสที่ดีที่ท่านจะได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าบ้านเรื่องการต้อนรับขับสู้อคันตุ ก, กะผู้มาเยือนนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงสอนไว้เรียกว่าปฏิสันฐานสองได้แก่อมิตรปฏิสันฐาน คือการต้อนรับด้วยสิ่งของและธรรมปฏิสันานคือการต้อนรับด้วยธรรมท่านนึกถึงคำประพันธ์กวีผู้หนึ่งแต่งไว้เป็นธรรมเนียมไทยแท้แต่โบราณใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับทั้งน้ำท่าตามมีและตามเกิดให้เพลดิดเพลินกายากว่าจะกลับพิกษุวัยสี่สิบเศษตั้งใจไว้ว่าจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด แต่ก่อนอื่นเห็นจะต้องโทรจิตไปบอกนายวิโก้เสียก่อนว่าท่านจะส่งนายหลอไปที่สนามบินแม้จะมีลูกศิษย์ลูกหามากมายหากก็มีหนุ่มนอร์เวย์ผู้เดียวเท่านั้นที่ท่านสามารถใช้จิตคุยกับเขาได้นายวิโก้มาได้ดีไปจากเมืองไทยส่วนลูกศิษย์คนอื่นนั้นยังมือไม่ถึงเพราะพวกเขาไม่รู้ ทั้งไม่ได้ใฝ่ใจที่จะรู้ว่าเมืองไทยนั้นมีของดีอะไรถึงวันที่29ตุลาคมทิดศึกใหม่มารับท่านพระครูเวลาตีสตามนัดการได้มีโอกาสเข้ามาสู่ร่มกาสาวพัฒอีกครั้งทำให้เขาเป็นคนที่มีคุณภาพยิ่งกว่าเดิม บวชครั้งแรกเขาไม่รู้อะไรมากนะักเพราะเป็นการบวชตามประเพณีหากในครั้งนี้เขาได้อะไรมามากขึ้นอย่างน้อยก็ได้สัปปุริสธรรมครบทั้งเจ็ดข้อนิสัยล่าช้ามาไม่ตรงตามนัดพลันมาลายหายไปว่าที่จริงแล้วเขาซาบซึง้งกับการถือเพศบรรพชิตเป็นอย่างมากหากไม่ห่วงแม่ประยงและลูกๆ ก็คงจะยอมศึกหาลาเพศเป็นแน่นายวิโกดีใจนักที่ท่านประครูมารับเขาและเพื่อนๆทั้งดีใจและเกรงใจเพราะรู้ว่าท่านมีงานมากและคงต้องทิ้งงานมาตอนคุยกันท่านบอกเพียงว่าจะให้ในายหล่อขับรถมารับจะได้ไม่ต้องเสียค่าแท็กซี่โยมสาลีกับคิมน้อยไม่ได้มาด้วยหรือท่านถามสิทธิ์สภาย และลูกชายของหลอนไม่ได้มาครับลิลลี่เขาไม่อยากให้มากับคนหมู่มากและจะมีแต่พวกผู้ชายเขาฝากกราบหลวงพ่อด้วยครับหนุ่มใหญ่ตอบจากนั้นจึงแนะนำเพื่อนๆนวเดียวกันกับตนให้รู้จักท่านพระครูหนุ่มจากต่างแดนทั้งเจ็ดนั่งคุกเข่าและกราบสามครั้งแบบเดียวกับที่นายวิโก้ทำเมอตะตี้กราบเสร็จก็ลุกขึ้นยืน สมภารวัดป่ามะม่วงทักทายปราัยกับบุคคลทั้งเจ็ดโดยมีนายวิโก้เป็นล่ามครั้นเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาแล้วจึงนำพวกเขาขึ้นรถเพื่อไปยังวัดพระศรีรัตนาศาสดารามซึ่งอยู่ทางด้านใต้ของท้องสนามหลวงท่านพระครูนั่งหน้าคู่กับคนขับส่วนนายวิโก้กับเพื่อนๆ น, นั่งข้างหลัง ออกจากดอนเมืองได้พักใหญ่ๆก็มาถึงถนนราชดำเนินกลางอันเป็นทางตรงไปสู่ท้องสนามหลวงนุ่มตางแดนนายหนึ่งเกิดปวดปัสวะจึงบอกนายวิกโก้เพื่อนๆอีกหกคนครั้นได้ยินก็เลยเกิดความรู้สึกอยากเข้าห้องสุขาบ้างคนที่เป็นหัวหน้าจึงเคาะกระจกเพื่อบอกคนขับพอดีเป็นจังหวะที่รถติดไฟแดงเขาจึงเชงโงกหน้าออกไปบอกนายหลอ นายหล่อเรียนท่านพระครูให้ทราบเลยเป็นอันทราบกันทั้งคันรถว่าผู้โดยสารต้องการห้องสุ ข, ขางั้นก็เลี้ยวเข้าบางลำพูตรงสีแยกค้อกัวก็แล้วกันไปขอเข้าที่วัดเขารู้จักกับเจ้าคุณรูปหนึ่งชอบพอกันมาหลายปีท่านเคยมาที่วัดป่ามะม่วงหลายครั้งเมื่อเอ่ยนามเจ้าคุณรูปนั้นปรากฏ ว, ว่านายหลอก็รู้จัก ทั้งยังเคยขับรถพาท่านไปเที่ยววัดพระนอนจกักรสีในฐานะเป็นอคันตุกะของท่านพระครูเมื่อสัญญาณไฟเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียวนายหล่อจึงออกรถถึงสี่แยกขอกวัวก็เลี้ยวขวาเข้าบางลําพูสักครู่ก็มาจอดที่หน้ากุฏิหลังหนึ่งท่านพระครูรู้สึกโล่งใจที่พบท่านเจ้าคุณจึงพูดกับนายวิโก้ว่า บอกเพื่อนๆให้ลงจากรถมาเข้าห้องน้ำเจ้าของกุฏิกับหลวงพ่อชอบกันมานานเมื่อทุกคนลงจากรถท่านจึงพาเข้าไปกราบเจ้าคุณกระผมพระครูเจริญจากวัดป่ามะม่วงครับกระผมกับนายหลอไปรับชาวต่างประเทศที่สนามบินดอนเมืองและยังไงเจ้าคุณถามใบหน้าไม่บ่งบอกว่ามีปฏิสันธ์ครวตา แต่อย่างใดกระผมจะขออนุญาตให้พวกโยมเข้าใช้ห้องสุขาขอรับเห็นใบหน้าบอกบุญไม่รับของเจ้าคุณท่านพระครูรู้สึกใจฝ่อแฟกขึ้นมาทันทีที่นี่ไม่แต่ซ่วมพระไม่มีซ่วมโยมให้เข้าไม่ได้พูดเสียงสะบัดสบัดแล้วจึงหยิบหนังสือพิมพ์ขึ้นมาอ่านในท่านั่งไข่ห้างไม่สนใจใยดีต่ออคันตุ ก, กะทั้ง8ดคนกับหนึ่งรูป งั้นกระผมขอลาท่านพระครูบอกลาโดยไม่ได้กราบเพราะถึงกราบเจ้าคุณก็คงไม่เห็นด้วยว่าหนังสือพิมพ์บังไว้ออกมาจากกุฏิแล้วนายวิกโก้จึงพูดสรพยอกว่าไหนหลวงพ่อบอกว่าชอบกันมานานยังไงล่ะครับคนชอบกันมานานเข้าต้อนรับกันอย่างนี้เองหรือไม่พูดเปล่าหากหันไปบอกเพื่อนๆด้วยภาษาเดนมาร์กคนทั้งเจ็ดพากันอมยิ้ม สมพานวัดป่ามะม่วงรู้สึกเสียหน้าพูดกับสิทธิเอกว่าเจ้าคุณท่านทำให้หลวงพ่อรู้สึกว่าหน้าเหลืออยู่สองนิ้วไม่ไหวเลยทีท่านไปวัดเราเราต้อนรับขับสู้อย่างดีแต่พอเรามาวัดท่านท่านกลับทำแบบนี้เล่นเอาหลวงพ่อเสียหน้าหมดเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวหลวงพ่อจะพาไปเข้าที่ร้านกาแฟหน้าวัดหลวงพ่อ รู้จักกับเท่าแกชอบกันมานานอีกรึเปล่าครับสิทธิเอกสัพยอกอีกเอาเถอะคราวนี้รับรองว่าได้เข้าแน่เดินตามมาก็แล้วกันและท่านจึงเดินนำหน้าไปยังร้านกาแฟหน้าวัดเท่าแกกำลังชงกาแฟขายให้ลูกค้าครั้นเห็นท่านก็ร้องทักทายสวัสดีท่านไปไหนมา ท่านพระครูรู้สึกใจมาเป็นกองจึงบอกเท่าแก่ว่าอาตมาไปรับลูกศิษย์ซึ่งมาจากต่างประเทศจะมาขอเท่าแก่เข้าห้องน้ำหน่อยเข้าไม่ได้เหล็กอีกกำลังซักผ้าเท่าแก่ปฏิเสธยังไม่มีเยื่อใยสมภารวัดป่ามะม่วงมีอันต้องเสียหน้าอีกคำรบสองของวันนี้ท่านจึงกำหนดคิดหนอ คิดหนอเพื่อจะได้เกิดปัญญาแก้ไขปัญหาให้ลูกศิษย์ได้บัตรดนปัญญาก็บอกท่านว่าสั่งกาแฟมากินสิท่านจึงบอกพวกเขาว่าเข้าไปแนวร้านทานกาแฟกันก่อนนายวิโก้ซึ่งบัตรนี้ไม่มีแกะใจจะพูดจาสะพยอจึงบอกเพื่อนๆให้เข้าไปนั่งเพื่อนคนหนึ่งกระซิบว่าเขาปวดจวนฉลไยอยู่แล้วเมื่อทุกคนเข้ามานั่ง ในหลอจึงลุกออกไปสั่งกาแฟร้อนมาเลี้ยงกันเท่าแก่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่หันไปบอกลูกค้าใหม่ว่าลอเลียวนะเลี้ยวเลี้ยวไล่งั้นก็ขอเข้าห้องน้ำก่อนแล้วกันท่านพักครูได้โอกาสไล่เลยไล่เลยแกหันไปตะโกนบอกลูกน้องที่กำลังนั่งซักผ้าอยู่ที่ห้องน้ำว่า พกลื้อออกมากล่องลูกค้าเข้าจากเข่าห้องน้ำเมื่อเด็กสาวสองคนออกมาบรรดาผู้ที่มีทุกข์ก็ทยอยกันเข้าไปปลดทุกข์เป็นอันุท่านพระครูสามารถแก้ปัญหาให้ลูกศิษย์ได้สำเร็จออกจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามในหล่อจึงพาพระอุปชาและอคันตุกะไปฉันและรับประทานอาหารเช้าที่ท่าพระจันทร์ สมภารวัดป่ามะม่วงคิดจะไปกราบเยี่ยมเจ้าคุณโชดกที่คณะห้าวัดมห า, าธาตุแต่เมื่อเห็นหนอรายงานวัดท่านไปขอนแก่นจึงพาลูกศิษย์และคณะกลับวัดเจ้าคุณรูปนั้นแย่มากครับหลวงพ่อที่หลังมาวัดเราเอกผมจะไม่ต้อนรับจะไม่รับใช้ใดๆทั้งสิ้นนายหล่อชวนคุยเมื่อรถแล่นผ่านดอนเมืองมาแล้ว เห็นพระอุปชาไม่ตอบจึงพูดต่อว่าแบบนี้เขาตำราดีแต่กินถูกไม่ใช้เห็นแก่ตัวคบไม่ได้ท่านพระครูนั่งฟังและออกจะเห็นด้วยกับลูกศิษย์เพราะเจ้าคุณรูปนั้นเป็นอย่างที่เขาว่าจริงหากท่านไม่มาประสบด้วยตนเองก็ยังไม่รู้แทบไม่แน่เชื่อว่าในสังคมของสง์ ซึ่งถือเป็นสังคมของผู้มีคุณธรรมสูงสุดจะมีคนประเภทนี้ปะปนอยู่เกิดท่านมาที่วัดอีกหลวงพ่อจะต้อนรับขับสู้เหมือนแต่ก่อนไหมครับลูกสิ์ถามเห็นท่านไม่พูดเขาจึงหาวิธีให้ท่านพูดก็ต้องทำไปตามหน้าที่เพราะข้าเป็นสักยะบุตรพุทธโอรสสิ่งใดที่เสด็จพ่อตรัสสอนไว ข้าก็ต้องปฏิบัติตามจะเอาเรื่องส่วนตัวมาปรปับปนไม่ได้เอาละข้าจะไปสาธยายให้เองฟังว่าทำไมถึงต้องทำคือมีคำสอนที่เรียกว่าคารวตาหได้แก่หนึ่งสัตถุคารวตาความคารพบในพระพุทธเจ้า2ธรรมะคารวตาความคารพบในพระธรรม3 ส, สังฆะ คารวตาความเคารพในสงฆ์สสิกขาคารวตาความเคารพในการศึกษา 5. อัปมาทค า, ารวตาความเคารพในความไม่ประมาท 6. ปฏิสันถาราคารวตาความเคารพในปฏิสันฐานทำหกอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแห่งพิกษุเพราะฉะนั้น ถ้าข้าไม่ต้อนรับเจ้าคุณรูปนั้นเท่ากับข้าไม่ปฏิสันฐานคารวตาท่านพระครูอธิบายถ้าเช่นนั้นสิ่งที่เจ้าคุณปฏิบัติต่อหลวงพ่อและพวกผมก็เท่ากับท่านไม่มีปฏิสันฐารคารวตาย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแห่งตัวท่านเพราะท่านเป็นภิกษุอันนั้นก็เป็นเรื่องของท่านไม่เกี่ยวกับข้าสมณะตอบเสียงเรียบไม่เกี่ยวได้ยังไงล่ะครับ ก็ท่านทำให้หลวงพ่ออับอายขายหน้าผมนี่สงสารหลวงพ่อจังเลยนั่นสิหน้าข้าเหลือแค่สองนิ้วทำไมเองไม่ช่วยข้าละ่ะผมอยากจะช่วยเหมือนกันครับโดยเฉพาะตอนที่เพื่อนๆนายวิโก้ยิ้มเย่ะหลวงพ่อผมอยากจะแก้ตัวแทนแต่เสียดายที่ผมส่งภาษาไม่เป็นเพราะเรียนมาน้อยเขาแก้ตัวอย่ามาแก้ตัวเลย เพราะเองไม่อยากช่วยค่าตังหากละ่ะเองดีใจที่เห็นค่าหน้าแตกสมภารวัดป่ามะม่วงเริ่มกระเซ้าเย้าแย่โถโถโถใครจะไปทำอย่างนั้นกับหลวงพี่ที่เคารพในหลอว่าหลวงพ่อกลายเป็นหลวงพี่เพราะกรนพาไปโยมโถแก่แกคราวพ่อคราวแม่อย่าไปเรียกแกโถโถเฉย ต้องเรียกแกป้าโถหรือนาโถท่านพระครูตั้งใจยัว่วครับป้าโถก็ป้าโถลูกศิษย์คล้อยตามดีว่านอนสอนง่ายอย่างนี้จะได้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตเรื่องนั้นหลวงพ่อไม่ต้องห่วงผมเป็นศิษย์ก้นกุฏิท่านพระครูเจริญก็จะต้องเจริญอยู่แล้วกรุหัดพูดใจยจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาตอนเช้า ทำให้ข้าเห็นสัจธรรมอย่างหนึ่งมันผิตเปลี่ยนเรื่องสนทนาเสทันใดหลวงพ่อเห็นอะไรเหรอครับเห็นทุกนาสิทำให้ข้านึกถึงพระพุทธวจนะที่ว่าการเกิดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์การไม่เกิดเป็นเหตุให้เกิดสุขเมื่อมีการเกิดเป็นอันหวังได้ทุกนี้คือความหนาวความร้อนความหิวความกระหาย อุจจาระปัสสาวะสัมผัสไฟสัมผัสท้นไม้สัมผัสศาตราสรุปว่าเหตุของทุกข์ทั้งหลายย่อมมาจากการเกิดและทุกข์ที่พวกเราเผชิญกันเมื่อตอนเช้าก็คือปัสสาวะเมื่อก่อนข้าไม่ค่อยจะเข้าใจสักเท่าไหร่ว่าปัสสาวะมันทุกข์ได้อย่างไรแต่ตอนนี้เข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วก็เข้าใจไปถึงอุจจาระด้วย เพราะฉะนั้นข้าจึงอยากจะช่วยปลดทุกข์ให้กับญาติโยมอันเนื่องมาจากอุจจระปั ส, สวะหลวงพ่อจะทํายังไงเหรอครับลูกศิษย์ไม่เข้าใจสร้างห้องสุ ข, ขาอย่างไงล่ะปรับไปเนี่ยข้าจะสร้างห้องสุ ข, ขาเพิ่มอีกยี่สิบห้องจากที่มีอยู่แล้วสิบห้องญาติโยมที่มาทําบุญจะได้ไม่ต้องเข้าคิวรอห้องสุ ข, ขาแม้หลวงพ่อ ผมเห็นแต่เขาสร้างกุฏิสร้างโบสถ์กันแต่นี่หลวงพ่อจะสร้างสุวมแล้วจะได้บุญเท่าสร้างกุฏิสร้างโบสถ์ไหมครับนายหล่อรู้สึกกังขาข้าว่าจะได้บุญมากกว่าด้วยซ้ำเองลองคิดดูสิคนที่เขาต้องการใช้ห้องสุ ข, ขานะ่ะเพราะเขากำลังมีทุกข์เท่ากับเราช่วยปลดทุกข์ให้เขาว่าแต่ว่าตอนนี้ข้าก็ ไม่มีปัจจัยส่วนตัวพอที่จะมาสร้างสุขายี่สิบห้องได้เห็นจะต้องไหว้าวานเองให้เอาแหวนเพชรไปขายลองถามแม่ประยงดูก่อนเผื่อเขาอยากจะซื้อไว้เองบอกว่าข้าขอราคาเท่ากับห้องสุขายี่สิบห้องเท่านั้นท่านหาทางคืนแหวนให้แม่ประยงซึ่งเท่ากับยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวถึงอย่างไรแหวนวงนั้น ก็คงราคามากกว่าเงินที่จะจ่ายในการสร้างห้องสุก ข, ขาครับและผมจะจัดการตามนี้หลวงพ่อสบายใจได้เมื่อถึงวัดป่ามะม่วงท่านพระครูจัดการให้ในายวิโก้และคณะพักที่กุฏิกรรมฐานโดยให้แยกกันพักคนละหลัง จะได้สะดวกแก่การปฏิบัตินายวิโก้ได้พักกุฏิที่นางเอิยงสร้างถวายเพราะรู้เรื่องราวของเจ้าของกุฏิเป็นอย่างดีเมื่อทุกคนเข้าไปพักเรียบร้อยแล้วท่านจึงกลับมายังกุฏิและนำแหวนเพชรมาให้แก่นายหลอ่อหนุ่มใหญ่ไวไล่เรียกกับสมภารรับไปแล้วจึงลากลับบ้านเรือนตนวันรุ่งขึ้นอคันตุกะรายแรกที่มาเยือนท่านสมภารก็คือนายหลอ่อ กับแม่ประยงทันทีที่พบพระอุปชาสามีแม่ประยงก็รายงานว่าเขาไม่ยอมซื้อครับหลวงพ่อแล้วเขาก็ไม่ยอมให้ขายด้วยเขาไปติดต่อช่างสร้างสุขาแล้วช่างเขาคิดราคาห้องละพันห้าร้อยบาทยี่สิบห้องเขาคิดสองหมนห้าลดไป5้าพันแม่ประย ง, งเขาจะออกเอง แต่มีข้อแม้ว่าหลวงพ่อจะต้องเก็บแหวนวงนี้ไว้และจะไม่ขายให้คนอื่นเจ้าของกุฏิจึงพูดกับแม่ประยงว่าคงไม่ได้รอกโยมอาตมาตั้งใจจะสร้างเองไม่ต้องเป็นการรบกวนญาติโยมอีกประการหนึ่งอาตมาก็ไม่ต้องการจะเก็บแหวนวงนี้ไว้เพราะของมีค่าย่อมไม่สมควรแก่สมณะถ้าโยมไม่รับซื้อไว้อาตมาก็ จะให้เขาเอาไปขายร้านเพชรท่านพระครูพูดเสียงหนักแน่นท่านจะไม่ยอมแพ้แม่ประยงเหมือนที่นายหล่อยอมเมื่อท่านพูดมาอย่างนี้แม่ประยงก็ไม่รู้จะทำประการใดหากเป็นนายหลอ ก, ก็คงบังคับขู่เข็นได้เพราะเขายอมเธอทุกอย่างแต่นี่เป็นหลวงพี่เจริญที่เคยลหลงไหลได้ปลื้มสมัยที่ท่านเป็นนักดนตรีฝีมือเอก ถ้าว่าเหตุการณ์เหล่านั้นได้เกิดขึ้นและจบไปแล้วในอดีตคืนฟืนฟ้นฝอยหาตะเข็บความลับก็จะแตกเสพเปล่าๆจึงพูดขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นดิฉันก็จะรับซื้อไว้ในราคาห้า0มื่นบาทแต่วันนี้ดิฉันเตรียมมาถวายแค่สองหมื่นห้าพรุ่งนี้ดิฉันจะให้ทิดรอนําที่เหลือมาถวายยังไม่ต้องรีบหรอก อาตามา ย, ยังไม่มีธุ ร, ระต้องใช้เงินฝากไว้ก่อนก็แล้วกันจะใช้เมื่อไรอาตามาจะบอกไปทางโยมหลองั้นก็ตามใจท่านก็แล้วกันพี่หลอเรากลับกันเถอะพูดเสียงประชดนิดๆคนกลัวเมียผู้ซึ่งไม่รู้ตื้อลึกหนาบางจึงพาภรยากลับบ้านสมภารวัดป่ามะม่วงรู้สึกโล่งใจที่แก้ปัญหาได้อีกเปร่าหนึ่ง และที่สำคัญกว่านั้นก็คือวัดป่ามะม่วงจะมีห้องสุขาเพิ่มอีกยี่สิบห้อง